ผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะมากราบนมันสการพระาอาจารย์คริกริปโซติพโลเพื่อที่จะได้สนทนารรมกับท่านในช่วงที่ท่านได้นำาูุทวจนะมาตอบคำถามให้กับพวกเราเพราะพุทธองค์นั้นตรัสถึงวิธีการแบบนี้ว่าเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพูทธวจนะนะคะมากราบท่านพร้อมๆกันค่ะ อาจารย์คะวันนี้ดิฉันเองในงานนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดประฐมธรรมบ่อยมากนะคะแล้วพอเปิดไปก็เห็นหัวข้อของพระสูตรที่คิดว่าอยากจะมากราบเรียนถามทั้งต่อคืออย่างกับเรื่องของความรักว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเอาไว้ในพระสูตรที่มีอยู่4แบบแล้วเนี่ยนะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยควรจะรู้เพราะพอรู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเออทําไมเราชอบคนนั้นรักคนนั้นเกลียดคนนี้ แล้วพวกผู้ทวงเนี่ยเข้าใจได้จริงๆเลยนะคะเรายังไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยว่าเพราะเหตุใดเราถึงมีความรู้สึกเช่นนั้นกับคนนั้นคนนี้ทีนี้บังเอิญไปเปิดเจออีกพระสูตรนึ้อแล้วท่านคะอพอเห็นหัวข้อแล้วคิดว่ายิ่งเพิ่มน้าหนักในการอยากกลับเรียนถามคือบอกว่าสมาธิระงับความรักเกลียดที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าบางคนจะได้อาศัยเป็นทางออกในการที่กําลังมีความไม่สบายใจกับความรักความเกลียดที่มีอยู่ เลยจะรบกวนถามท่านนะคะว่าเราจะเริ่มต้นกันยังไงดีเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจก่อนถึงเรื่องของธรรมชาติที่พระพุทธองค์ค้นพบเกี่ยวกับเรื่องความรักของมนุษย์ค่ะอือฮึค่ะก็แง่มุมเรื่องเรื่องความรักเนี่ยมีหลายแงม่มุมค่ะนะยิ่งพระองค์ก็จะค้นพบว่าความรักหรือความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเลยและบอกว่าทุกใดๆในโลกนี้เนี่ย ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะคือความพอใจเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นบุญเหตุของความทุกข์ตั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตคือ ท, ท่านเปิดฉากมานี่ก็แหมความรักเป็นบูญเหตุของความทุกข์ทั้งปวง<ม> <c oughs> เลยนะคะมมไม่มีสักประเภทเนินหรอคะอหเห็นคนเขาก็เรียกหากันนักหนานะคะความรักอ๋อความรักที่เป็นเหตุให้มีความสุขอย่างถาวรได้คือ รักในธรรมะรักในการประหารกิเลสรักในความวิเวกรักในการไม่พยาบาทจะได้ะนะรักในความไม่เดินช้า<ม>นะมั <c oughs> เป็นรักแบบนั้นทีนี้ในมุขอื่นๆเลคะที่ท่านบอกว่านอกจากเรื่องความรักเนี่ยล้วนแล้วแต่นํามาซึ่งความทุกข์ถ้าท่านยังไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นยังรู้สึกแย้อยู่ในใจอะ่ะดิฉันมีความสุขอะ่ะที่มีควา ม, มรักเนี่ยเดี๋ยวติดตามต่อไปไเรื่อยๆนะคะแล้วก็บอกว่าความพอใจทั้งหลายก็คือความทุกข์ด้วย พระพุทโธกราดไปย่างไรนะคะในรายละเอียดพระองค์ก็แยกประเภทให้เราสังเกตลักษณะของความรักความเกลียดที่เกิดขึ้นะนะว่า <c oughs> ลุงบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยมีสียะนะมีรักเกิดจากรักมีเกลียดเกิดจากรักมีรักเกิดจา ก, ก, กเกลียด แล้วก็มีเกลียดเกิดจากเกลียด ร, นะรักเกิดจากรักเนี่ยรองอธิบายว่าถ้าบุคคลที่1 น, นะรักบุคคลที่สองแล้วมีบุคคลที่3 ม, มาปฏิบัติดีต่อบุคคลที่สองที่เรารักเราจะพึงพอใจบุคคลที่3ทันทีนะแต่ถ้าเรารักบุคคลที่2 อ, อยู่แล้วบุคคลที่3าม มาปฏิบัติไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับบุคคลที่2ที่เรารักเราจะเกลียดบุคคลที่สทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักเห็นนะเกลียดได้นะเพราะความรักที่มีนะและรักก็มีได้นะเพราะความรักที่มีนะส่วนถ้าบุคคลที่1เกลียดบุคคลที่2 อ, อยู่ แล้วมีบุคคลที่สามมาพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อบุคคลที่สองที่ยมเกลียดยมจะรักบุคคลที่สามทันทีเพราะเราเกลียดคนนี้อยู่ไอ้ฉันเกลียดมันมานานแล้วนะเออใช่มีคนมาร่วมเกลียดด้วยเนี่ยถูกใจมากเลยนะแถมด่าแทนเราให้อีก <S <S ใช่ไหมแต่ถ้ามีบุคคลที่สามมาพูดดีทำดีกับคนที่ยมเกลียด ยิ่งเกลียดบุคคลที่สามทันทีเลยเกลียดด้วยคนนี้คนไม่ดีไปช่วยเขาทำไมไปพูดดีกับเขาทำไมไปทำดีเขาทำไมใช่ไมเนี่ยนี่คือความรักความเกลียดที่มีอยู่สีอารมณ์ในมนุษย์ในโลกซึ่งสีอารมณ์นี้จะดับไปได้ในสมาธิสีขั้นแรกคือชั้น1 2 3และ4หรือเป็นพระหลาน เป็นพระอัจานี้คือถาวอนแต่ถ้าสมาธิก็คือดับได้ชั่วคราวในสมัยนั้นถ้าจหร่คะอันนี้หมายถึงคนที่ดับสิ่งเหล่านี้ได้คือคนแรกใช่คะทุต้อง ค, คนแรกท่านผู้ชมค่านคิดตามนะเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเราก็มีความรักความเปลีล่ยดแบบเนี่ยแต่ว่าไม่เคยสังเกตรู้เลยอมอมนจริงๆนะคะบางทีเราเนี่ยก็ไม่ได้มีความรักเปการส่วนตัวกับคนที่มารักคนที่เรารัก แต่พอเขารักคนที่เรารักปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกที่เราชอบจังเลยถูกใจนะคะเราไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวกับคนที่มาเกลียดคนที่เรารักเลยแต่พอเขามาเกลียดคนที่เรารักเกรา้องเกลียดเองอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ได้แสดงถึงว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีเขาเรียกว่าทรงมีอะไรคะมียานอย่างรู้หรืออะไรกันนี ไม่รู้ในสิ่งที่เราก็ก็น่าจะรู้แต่เราไม่รู้เราไม่ เ, เรียกอาสาธาานาญาณอาสาธาานาญาณญาณที่ไม่มีในบุคคลทั่วไปอญาณคือความรู้ที่มีในเฉพาะอริยบุคคลเท่านั้นอาสาธาานาญาณทาไมพระพุทโธถึงตรัสในเรื่องพวกนี้กันนครัก็เป็นเป้าหมายการสอนของพระเจ้านี่ ค, ความรู้คนทั่วไปไมีอยู่แล้วแต่คนทั่วไปไม่รู้อะไรละ่ะ ไม่รู้เรื่องเหล่านี้แหละอ๋อค่ะแล้วก็บอกว่าจะกำจัดได้ด้วยการอยู่ในชาตหนึ่งสองสามสี่นแหละค่ะงั้นยังกับสังคมไทยทุกวันนี้ตั้งแต่เรามีปัญหาทางการเมืองเดี๋ยวฉันต้องใช้คำนี้นะคะ <diamond noise> มันดูเหมือนกับว่ามันเข้าข่ายนี้เลยเราจะได้พบเลยว่าถ้าใครรักคนที่เรารักเราจะชอบใครเกลียดคนที่เรารักเราจะเกลียดแล้วก็อีกสองอย่างตามคาสอนพุทธองค์เนี่ย ต้องจับผู้นี้เข้าชานให้หมดหรย อ, อยังไงคะประเทศชาติจะได้สู่ความสมบสุขล อ, อ, องดองสักทีอย่างน้อยต้องฝึกเข้าชานหนึ่งปฐมฌานนั้ น, นปฐมฌานคืออากุศลจะหมดไปความคิดพยาบาทเบียดเบียนความโลภหมดไปปุ๊บเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพระยาบอกคนคนนั้นเนี่ยวางอภิชาและโทมนัสคือพอใจไม่พอใจในโลกออกได้ฌานที่หนึ่งเนี่ยนะคะ จะวางความพอใจและไม่พอใจในโลกออกได้โปรดฟังแค่นี้นะคะใครที่กําลังคิดจะแก้ไขปัญหาสังคมที่มันไม่ได้รวมตัวกันเหมือนน้าใช่ไหมคะสังคมที่แตกแยกไม่กลมเกลียวไม่สามัคคีครองดองกันคือรายการเราเนี่ก็เป็นรายการธรรมะนะคะทุกอย่างเราก็อยากจะหาทางที่จะเอาธรรมะเขาเ้าไปแก้ น, นี่เป็นความบังเอิญที่ฉันไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่าการปฏิบัติสมาธิ ในขั้นที่หนึ่งของฌานเนี่ยจะช่วยได้แต่ถ้าจะช่วยได้ใครกันดีล่ะคะที่จะบอกไปถึงว่าคงจะต้องเร่งชวนให้คนมาปฏิบัติปฏิบัติทำม<ะ>สมาธินั้นพระองค์บอกเลยว่าถ้าพระองค์เนี่ยไปสู่ทิศใดในทิศนั้นเนี่ยมูชนเนี่ยมีแต่การมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุดน้ำนมกับน้ำ พระองค์บอกพระองค์มั่นใจได้เลยว่ามูชนนั้นเนี่ยมีการละความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาและมากระทําให้มากซึ่งความคิดในทางเนฆะขมมะคือหลีกออกจากกามอพยาปาทวิตกนะการไม่พยาบาทอาวิหิงสาวิตกการไม่เบียดเบียนะละทำสามอย่างมาจเจริญทำสา3อย่างละการปฏิบัติเบียดเบียนมาจเจริญการออกจากการออกจากปฏิบัติออกจากเบียดเบียนแล้วจะไม่มีการทะเลาะกัน ท่านอารย์คะนีะ่เท่ากับว่าการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยไปทําให้ไปทําให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นคะว่าไอการที่เราไปรักใครเราไปเกลียดใครเนี่ยมันมีเหตุผลไหมหรือว่าไม่โดยอัตโนมัติเราจะละกามพยาบาทเบียดเบียนมันก็เหมือนเรื่องแก้เรื่องใหญ่เลยเรื่องย่อยแก้ไปด้วยใช่ใช่การที่เราแค่ละกุศลเนี่ย มันจะเป็นเห็นให้แก้ได้ทุกเรื่องนะก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยเห็นการเกิดดับค่ายควรธรรมะละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนมันเป็นจิตที่เป็นพื้นฐานในการที่จะค่้ควรธรรมในการที่จะบรรลุธรรมละดิฉันกลับเรียนให้ท่านทราบแล้วก็ให้ท่านชมทราบด้วยนะคะว่าคือกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเสริมสร้า ง, ส, งสังคมสันติสุขของสถาบันพระปุกก้าทีนี้เราก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อจะนําสังคมสู่สันติสุข เพิ่นไปจัดกิจกรรมเรียกว่าเป็นการคิดทำอย่างไรที่จะให้ประเทศปรองดองสมานฉันท์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะรัฐศาสตร์กันมาแล้วก็มีแบ่งกลุ่มย่อยมีห้องที่เกี่ยวกับศาสนาด้วยบังเอิญดิฉันไม่รู้แง่มุมนี้ก็เลยไม่ได้เสนอแง่มุมนี้ต้องบอกว่าคงไม่ค่อยมีใครรู้ด้วยมั้งคะเพราะห้องนั้นจะเต็มไปด้วยคนที่สนใจเรื่องศาสนามีทั้งคุณแม่ชีมีทั้งพระสงฆ์อะคะ แต่เป็นคนที่สนใจศาสนาแบบอัตกรถาก็เลยไม่รู้พุทธวจนะคำศาสดาของตนเองเนี่ย ค, ความความพลาดของสังคมพุทธของเราว่าเรารู้คำพัาศาสดาน้อยไงท่านอาจารย้านะในปฐมธรรมมีไหมคะบทเรียงชนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแก้การที่มีกันมีใช่ไหมคะมีมโดยชานที่หนึ่งเนี่ยนะคะใช่ <4. S 2> ใช่เดี๋ยวจะขออนุ ญ, ญาตเลือกอ่านเลยนะคะ ท่ า, านผู้ชมคะและนี่ก็เป็นแง่มุมส่วนหนึ่งของเรื่องเกี่ยวกับความรักทีนี้แง่มุมอื่นคะท่านคะที่ท่านบอกว่าพระพุทธรูปตานไม่เยอะอะคะในแง่มุมอื่นๆเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าตัวสันธาเนี่ยเป็นเหตุให้เราเกิดอุปทานความคิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เช่ น, นพระองค์บอกว่า ทั้งหลายนะถ้า <c oughs> เธอพอใจผู้หญิงคนหนึ่งนี่แล้วผู้หญิงคนที่เธอพอใจไปพูดจาละลิกซิกซี่เล่นหัวกับผู้ชายอื่นเธอจะรู้สึกพอใจไหมพิสุ ป, ปบอกไม่พอใจเป็นเพราะอะไรพิสุ ป, ปบอกเพราะเรามีฉันท่าความพอใจในผู้หญิงคนนั้นผู้ห้าถามอีก แล้วถ้าเธอละความพอใจในผู้หญิงคนนั้นได้แล้วผู้หญิงคนนั้นไปพูดและลิกซิกซีเล่นหัวกับผู้ชายอื่นแล้วเธอจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกเฉยๆเป็นเพราะอะไรเพราะเธอวางความพอใจในสิ่งสิ่งนั้นได้นะคูเจ้าจึงบอกว่านี่แหละฉันท้เป็นมูลเหตุของความทุกข์นะเพราะว่าความพอใจเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่เราพอใจมันจะไม่อยู่คงที่สิ่งที่เราพอใจมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่เพราะความพอใจของเราจะพอใจอยากให้ทุกอย่างคงที่ความรักต้องคงที่นี้ต้องคงที่ความดีเธอต้องคงที่แต่พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงปุ๊บความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างนี้ท่านอาจารย์คะนี่ก็เป็นมุมของเรื่อง คนที่เรามีความพอใจอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีความพอใจอยู่ด้วยจะนำความทุกข์มาให้ใช่นะคะแล้วแม่ทรงยกตัวอย่างเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนเทีนี้ดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยในปัญหาพอแท้จริงมาเลยนะคะว่าถ้าเราละความพอใจเราจะไม่โกรธถูกไหมคะหรือไม่มีความทุกข์แต่ที่ไ้่ใชคนสมมุติว่าเขาเป็นสามีภรรยากาันเป็นแฟนกันอยู่อย่างเนี้ยมันก็อดไม่ได้แล้วนะคะที่จะมีความรู้สึกไม่พอใจ แต่ถ้ายังจําเป็นต้องเป็นสามีพัญญากันอยู่แล้วจะไม่อยากมีความทุกข์อย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคะได้ก็รู้จักเห็นโทษนะรู้จักเห็นสัจจความจริงแค่ดูจิตของตนเองว่าจิตของตนเองก็ยังเปลี่ยนแปลงเลยเวลาจิตคนอื่นเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่โมโหโกรธามากเพราะว่าจิตเราก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเราเดินไปเห็นคนโน้นคนนี้เรายังวอบแวก เออเขาก็วกแวกเหมือนกันเนาะ อ, อย่างนี้มันก็ให้อภัยกันได้เพราะว่ า, าจิตมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มมาหาสาเหตุว่าเ อ, อ๊ะทำยังไงไม่ให้วอกแวกละ่ะอ๋อต้องมาฝึกมีสมาธิฝึกศีลธรรมนะต้องมาขัดแก้วกิเลสนะต้องละความผูกพันนะถ้าเราผูกพันมากยิ่งทุกข์มากติดนิดปิดหน่อยไม่ได้ มันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเนี่ยะนะคะแต่ก็กลับมาฝึกตัวเองกันคือที่ท่างกล่าวเรียนถามท่านอย่างนี้เพราะคิดว่าในชีวิตจริงของมนุษย์ที่อยู่กันเป็นคู่คู่เนี่ยจะมีปัญหาในลักษณะของการหึงหวงกันอยู่เสมอๆแล้วการหึงหวงเนี่ยมันทําให้อยู่ด้วยกันไม่สุขใช่ซึ่งท่านกำลังบอกว่าถ้าเป็นวิชาพระพุทธเจ้าก็คือต้องให้เข้าใจว่าความไม่นิ่งความไม่คงที่ของจิตเราก็มีใช่และให้ใหอภัยเขาใช่ ทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกันนั้นกับเราแต่เราคิดว่าเป็นเราเราไม่มีทางเกิด อ, อันนี้ก็ลําบากก็เพราะเราเห็นว่ามันเป็นนิจจังไง<ช>แสดงว่าคนนั้นยังไม่เห็นอ น, นิจจังค่ะแต่ถ้าแต่ถ้า ห, หากว่าอยากตัดตอนแก้ปัญหาให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนี่ยต้องพยายามทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ใช่แล้วก็แค่ทําหน้าที่กันอย่างถูกต้อง แค่นั้นเองพอแล้ว kind ก of ็ทําหน้าที่ตามที <Yeah> ่พระพุทธเจ้าตรัสใช่ไหมคะเรื่องทิศท no ั cool ้งหใช่ใช่แต่ก็ต้องมีเรื่องไม่ประพฤตินอกใจด้วยใช่นะคะการไปแสดงความรู้สึกไม่พึงพอใจในลักษณะที่พระพุทธรัตรัสว่าเมื่อเห็นคนที่เราพอใจไปกระซิบกระซิบกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งเปล่าคะพูดถึงก็เป็นได้ทั้งสองกรณีนะค่ะจิตก็คือปรุงแต่งไปแล้วหรือ เราปรุงแต่งไปเองมันก็ได้ได้ไดหลายมุมนะครับแต่กำลังจะอยากให้ท่านชี้ให้เห็นด้วยว่าในการที่สมมุติเนี่ยคู่สามีภรรยาที่เกิดความไม่พึงพอใจกันในลักษณะดังกล่าวนี้แล้วสามารถที่จะจัดการกับจิตของตัวเองด้วยวิธีที่ท่านบอกได้นอกเหนือจากจะแก้ปัญหาของการอยู่ร่วมกันของการเป็นแฟนกันแล้วเนี่ย จะก้าวหน้าไปถึงการวิมุติหลุดพ้นได้ด้วยเลยหรือเปล่าใช่ใช่นั่นคือเราเวลาจิตมันปรุงแต่งมาปุ๊บเนี่ยเราหักข้ามได้เนี่ยแสดงว่าเราละความพยิบาทเบียดเบียนได้น ะ, นะเราไม่เชื่ออาการจิตที่มันปรุงแต่งมาะะเราวางเบกคขาในอาการจิตแต่ละาการได้ ใครที่คิดอยากจะแม้ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นในช่วงปีใหม่แล้วมีปัญหาหคล้ายๆนี้ก็ลองไปใช้ดูแทนจะเป็นหนทางก้าวหน้าไปสู่การวิมุตหลุดพ้นได้ถ้าอาจารย์คะทีนี้ในแง่บุคอื่นของความรักมีอีกไหมคะพี่ผู้ตรงปรสสอนค่ะก็เช่นจัดกับคาร์มนิว่าคารมนิคนในเมืองสวัตถีเนี่ยที่ล้มตายไปนเนี่ยแล้วเธอเสียใจมีไหมคาร์มนิบอกมี แล้วที่เขาล้มตายไปแล้วเธอไม่เสียใจมีไหมก็บอกว่ามีอะไรเป็นเหตุให้คนเหมือนกันที่ล้มตายแล้วเธอเสียใจอีกคนล้มตายแล้วเธอไม่เสียใจคำนี้ก็บอกว่าเพราะว่าฉันทราคะของภาพลงมีอยู่ในคนเหล่านั้นพุทธเจ้าบอกถูกต้องนี่แหละคือมูลเหตุของความทุกข์ตั้งปวงพะงจึงบอกคาำนี้ว่าอดีตอี่ยเพิ่งไปพูดถึงเลยอนาคตก็ยังไม่ต้องพูดถึง พูดกันในปัจจุบันนี้ดีกว่าและในปัจจุบันนี้นี่แหละความทุกข์เนี่ยเกิดเพราะความพอใจใช่ไหมนะอดีตก็จะเหมือนกันนําตรงนี้ไปใช้ในนัยยะอันเป็นอดีตนยัยยะเป็นอนาคคนก็หลักการเดียวกันเพราะฉะนัะ้นบางคนเนี่ยคนเราอ่านหนังสือพิมพ์คนตายตั้งเยอะแยะเราไม่ค่อยเสียใจนะมีตายกันทุกวันแต่พออ่านไปอ้าวคนนี้นามสกุล เดียวกับเราเรารู้จักชื่อรู้จักเราก็เริ่มเสียใจต้องไปงานศพต้องแสดงความเสียใจหรือต้องรีบไปดูแลรักษาะจะเป็นสามีภรรยาลูกพ่อแม่เราอย่างเงี้ยก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่คนอื่นไม่เป็นไรแต่ญาติเขาปับ๊บญาติเขาทุกข์ทันทีใช่ไหมถ้าใจแข็ง ถ้าอย่างนี้เราก็มีโอกาสเจอคนตายในลักษณะที่ทำให้เราหดหูใจอยู่เสมอเหมือนกันนะคะใชโงง่โดยเฉพาะสังคมเคลียร่าแบบคนไทยเนี่ยเราควรจะวางใจไงคะทันทีที่รู้ว่าคนตายไม่ว่าจะเป็นคนใกล้คนไกลอย่างไรโดยเฉพาะคนใกล้ท่านคะก็มองเห็นความเป็นธรรมดาของโลกเน่ไม่มีใครในโลกไม่ตายแม้เราเองเขาต้องตายพินามรณสติเลยการมีความตายเป็นธรรมดาอยู่ตลอดเวลา เคยได้ยนบางศาสนาเขาพูดกันว่าเวลาถ้ามีคนตายเนี่ยไม่ให้เราร้องไห้ศาสนาพุท่มีพูดถึงอย่างนี้ไหมคะอ๋อก็อ <c oughs> มีบ้างเหมือนกันนะซึ่งพู้เจ้าเนี่ยให้ฝึกระงับอารมณ์นะการร้องไห้การหัวเราะหลบไม่มีประโยชน์หลอบ นะนะเป็นอาการของคนบ้าเป็นอาการของเด็กนะเพราะนะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้ฝึกวางอุเบกขาเรื่อยๆ เ, เพราะอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการทะเลบบาะเบอแหวงบ้างเกิดความทุกข์บ้างนะเกิดอกุศลต่างๆเกิดขึ้นตามมาดังนั้นตัวความรักเนี่ยเราคิดว่ามันจะดีอย่างเดียวหรอไมมันจะตามมาซึ่งการจะหนีตามมาซึ่งการห่วงกัน้นตามมาซึ่งเรื่องราวเกิดจากการห่วงกัน แต่ที่นี่มันเหมือนกับว่าจะว่าไปนะคะในเมื่อพระพุธทธองค์ได้ทรงค้นพบกฎธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยดิฉันก็เข้าใจว่าในความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเรื่องความรักมันดูเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนี่นเหมือนเป็นเรื่องดีด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะอยู่กับความรักห่ืหว่ามีทัศนคติหรือมีวิธีปฏิบัติ อยู่ ย, ยงญญังมีปัญญาญอย่างแรอยู่ยังมีปัญญาและรู้เท่ากันเหมือนกับสมาธิเลยยึดติดก็ไม่ได้แต่ต้องทํามากทํามากจเจริญมากแต่ยึดติดไม่ได้เราก็มีความรักได้แต่ยึดติดกับความรักไม่ได้ยึดติดปับทุกเลย ม, มีได้สมมติมีความรักให้มีไป ไ, <ต>ไม่ยึดติดหมายความ ขอไปในขณะนี้ฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่มาถามเรื่องความรักกับพระอาจารย์ตลอดเยู่แล้ควคาว่าไม่ยึดติดหมายความอย่างไรครท่านคะเรียกว่าการไม่เพลินในอัศธาลดอร่อยของมันไม่เพลินในรสอร่อยของความรักไม่เพลินในรสอร่อยของความพอใจไม่เพลินในรสอร่อยขององค์สมาธิแต่อยู่กับมันได้มีความระมัดระวังมีปัญญาเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออก รู้อุบายเครื่องออกไปพ้นจากความรักความพอใจคือการรักความเพลินเหมือนกับท่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นประโยชน์ในแง่ของการที่จะช่วยให้เราเก้าวหน้าในเรื่องของการหลุดพ้นด้วยเลยนะคะฟังโดยส่วนหนึ่งนั้นตัวความรักจะพูดในมุมดีก็จะพูดในเรื่องของฉันทะองคุณเครื่องทาให้เกิดความสาเร็จฉันทาวิริยะจิตตวิมังสา ต้องมีฉันทะความพอใจก่อนมีความรักก่อนนั่นฉันทะในใจซึ่งทําให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาฉันทะในธรรมะเรียกธรรมาราโมฉันทะในการประหารกิเลสเรียกประหาราราโมฉันทะในการไม่พยาบาลอภยปชาราโมฉันทะในการวิเวกปาวิเวการาโมฉันทะในความไม่เนินช้านี่คือฉันทะที่ เมื่อบุคคลมีแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อวิชาคือความรู้ค่ะก็เรียกว่าต้องใช้ความรักให้เป็น mm hmm. อย่างไรเสียความรักมีประโยชน์ mm hmm. เช่นเดียวกับอย่างอื่นด้วยเมื่อท้ามนมีทั้งสองมุม mm hmm. มีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษใช่ใชนะคะทีนี้ในเมื่อท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิว่าเช่นเดียวกันมีสมาธิได้แต่อย่าไปยึดติด หรือว่ารักในสมาธิได้แต่อย่าไิยึิติค่ะใช้คำว่ามีหรือใช้คำว่ารักในการปฏิบัติสมาธิวิชาบอกเสพให้มากทำให้มากเจริญมากเสพให้มากทาให้มากเจริญให้มากการทำสมาธินี่ยังไงพระพุทธองค์สรรเสริญว่าให้ทำให้มากให้เจริญให้มากเสพให้มากแปลเหมือนกันหมดไหมคะทำเสพเจริญเนี่ยใช่ใช่แปลว่าไม่ต้องไปประหยัด กับการที่จะปฏิบัติแต่อย่าไปยึดติดใช่คือพอใจปุ๊บเนี่ยดิยฉันว่าเป็นเหมือนกันนะคะคือพอเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกดีเนี่ยเราก็รู้สึกทําอะไรก็จะเลี้ยวไปปฏิบัติ อ, อยู่ตลอดเนี้ไค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นถูกหรือผิดคะาอาจารย์คะหรือว่าจริงๆแล้วมันจะต้องทําต่อเนื่องกันมากกว่านั้นด้วยซ้ําค่ะอือสมาธิเหรอค่ะต้องทําต่อเนื่องคือติดสมาธิที่ไม่เป็นไร ตอนนี้ผมทักหมคว่าไงคะตลอดเวลาเลยติดเนี่ยจะทำมากเนี่ยมันมันมั น, มนไม่ค่อยเหมือนกันนะคือการทำมากก็ไม่ใช่ติดแต่คนติดหมายถึงคนไปพอใจในรสอร่อยของมันเพราะฉะนั้นคนสองคนเนี่ยทำสมาธิหนึ่งวันเท่ากันคนหนึ่งหนึ่งวันเฝ้าดูเห็นการเกิดดับคนหนึ่งหนึ่งวันพอใจกับรสอร่อย 1วันเท่ากันคนนี้หลุดพ้นคนนี้ยึดติดเอาความนานมาวัดไม่ได้อ่าเพราะนั้นพู้เจ้าบอกให้อยู่ให้นานแต่ขณะเดียวกันต้องเห็นเกิดดับแล้วก็อย่าพอใจในอัศจาทย์รสอร่อยของมันค่ ะ, ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยได้แง่มุมของเรื่องความรักจากพุทธวจนะกันพอสมควรทีเดียวดิฉันจะขอโอกาสในการที่จะอ่านพระสูตรเต็มๆ เ, เ, เกี่ยวกับความรัก สนใจเรื่องสมาธิะระนับความเกลียดที่มีตามธรรมชาติขออาจอันนี้นะคะท่านผู้ชมที่เคารพคะในช่วงปี2554ตั้งใจว่าเมื่อได้ฟังการเปิดทามที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะแล้วพุทธวจนะบทหนึ่งที่ท่านได้ใช้ในการตอบคำถามเปิดทามที่ถูกปิดนั้นจะเลือกเอามาอ่านให้ท่านได้ฟังกันเต็มเต็มระสุนจะได้ทราบวิธีการตรัสของพระพุทธองค์โดยบทพยัญชนะอย่างละเอียดประณีตดังนี้นะคะ เรื่องนี้คือสมาธิระงับความรักเกลียดที่มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่ในหนังสือปฐมธรรมเล่ม น, นี้นะคะหน้า195มีอยู่ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมารมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่เป็น4ีประการ4ีประการอย่างไรเล่า4ีประการคือความรักเกิดจากความรักความเกลียดเกิดจากความรัก ความรักเกิดจากความเกลียดความเกลียดเกิดจากความเกลียดพิกษุทั้งหลายสมัยใดพิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่สมัยนั้นความรักใดที่เกิดจากความรัก ความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความรักความเกลียดนั้นก็ไม่มีความรักใดที่เกิดจากความเกลียดความรักนั้นก็ไม่มีความเกลียดใดที่เกิดจากความเกลียดความเกลียดนั้นก็ไม่มีภิษุท์ทั้งหลายสมัยใดภิษุ์เข้าถึงทุติยชาญตติยชาญ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 ความเกลียดนั้นก็ไม่มีค่ะและนี่ก็เป็นพระสูตรบทที่ชื่อว่าสมาธิระงับความรักเกลียดที่มีอยู่ตามธรรมชาติค่ะวันนี้เรามานมัส ก, การของพระคุณท่านอาจารย์คุกทิศพร้อมๆกันนะคะ พุทธวจนะเราก็ได้ขอให้ท่านอาจารย์คือคริปนะคะได้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในเรื่องเกี่ยวกับความรักความเกลียดแล้วเราก็ได้พบนะคะมหาสจาย์สําหรับคําสอนของพระพุทธองค์เป็นของที่ติดตัวเราอยู่แท้แต่เราไม่เคยมองเห็นและเราได้พบว่าเรื่องของความรักความพอใจนั้นทําให้คนเกิดความทุกข์ได้อย่างไรก็ตามพระพุทธองค์ได้ทรงให้เราแก้ไขได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ การปฏิบัติชาญน1234จะทำให้สิ่งที่รักแล้วทุกเกลียดแล้วทุกนั้นไม่มีค่ะนำเอาไปปฏิบัติกันนะคะและชีวิตของท่านจะพบกับความสวัสดีสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้พุทธสวัสดีค่ะก็ขอให้ผู้ชมรายการทุเจาห้ า, นานเนี่ยมันเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต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 กำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนาขอให้มีความภาคเพียรบกับกบัรมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายกนะขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะเพื่อปาราลบความเพียรต่อไป เป็นข้ถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธมสมบูรมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน